ปีศาจผมทองสามเส้นนานมาแล้วในเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งความดีได้กตกลงที่คู่สามีภรรยาชาวนาคู่หนึ่งลูกชายของเขาเกิดมาพร้อมกับปานสัญลักษณ์ของพระราชาตรงหูซ้ายเด็กชายถูกทำนายว่าเขาจะนำความโชคดีมาให้แก่พ่อแม่ของเขาและคนทั้งเมืองและเชื่อว่าเมื่อเขาโตขึ้น เขาจะได้แต่งงานกับลูกสาวของพระราชามันเป็นโชคชะตาของเขาและเขาจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเมื่อพระราชารู้เรื่องของเด็กคนนั้นเขาโกรธมากจะให้ลูกชาวนามาแต่งงานกับลูกสาวของเขาที่เป็นเจ้าหญิงได้อย่างไรพระราชาได้คุยกับเจ้าของที่ดินและเดินทางไปบ้านของคู่ชาวนา พระราชาแกล้งเป็นคนดีเขาเสนอทองให้กับคู่ชาวนาะเพื่อแลกกับลูกชายคนเดียวของพวกเขาคู่ชาวนาคิดสักพักแล้วเขาก็ปฏิเสธทองแต่ให้ลูกชายของเขากับพระราชาเพราะเขารู้ว่าพวกเขาไม่สามารถที่จะเลี้ยงเด็กชายคนนี้ได้พระราชาได้นำเด็กไปทิ้งไว้ที่รถเข็นที่กำลังจะออกไปจากเมือง เขาต้องการให้เด็กชายอยู่ไกลาจากลูกสาวของเขาในคืนฝนตกหนักพระราชาคิดว่าเขาได้เปลี่ยนคำทำนายแล้วแต่ไม่เป็นไปตามนั้นหลังจากพระราชาได้จากไปสักพักเด็กชายถูกพบเจอโดยคู่สามีภรรยาคู่หนึ่งพวกเขาไม่มีลูกเขาตั้งชื่อเด็กชายว่าลีโอและตั้งใจจะเลี้ยงเด็กคนนี้เอาไว้ เวลาผ่านไปลีโอตโตขึ้นเป็นเด็กหนุ่งที่สดใสในขณะที่เขากำลังขี่ม้าออกจากป่าขอโทษนะรู้ทางไปที่เมืองฮอกไหมรู้หรือเปล่าฮะโอ้ง่ายมากเลยเลี้ยวซ้ายไปทางต้นไม้ประหลาดนั่นแล้วก็โอ้ไม่เป็นไปไม่ได้ ฉันส่งแกไปจากเมืองแล้วนี่ทันทีที่เขาโตขึ้นเขาจะแต่งงานกับลูกสาวพระราชาไม่มีทางฉันจะไม่ยอมให้เขาแต่งงานกับลูกสาวฉันจะทำยังไงดีเดี๋ยวฉันคิดออกแล้ว <c oughs> ฟังนะเจ้าหนุ่มฉันมีสารที่ต้องไปให้พระราชนีที่พระราชวังด่วนมากเลย นายช่วยฉันได้ไหมมันสำคัญมากแล้วก็จำเอาไว้อย่าเปิดซองเด็ดขาดนะโอ้เข้าใจแล้วครับท่านผมจะไม่เปิดซองครับและผมจะไปเดี๋ยวนี้เลยโอ้ดีได้โปรดรีบไปท่านที่ที่นายถึงนายจะพบโชคชะตาของตอนเอง <c oughs> แล้วลีโอก็ออกเดินทางเขาไม่ได้รู้ด้วยซ้ำว่าภารกิจของเขานั้นเพิ่งเริ่มตน้นเขาขี่ม้ามานานานับชั่วโมงและอีกไม่กี่อืดใจก็จะถึงที่หมายแต่ทอนใดนั้นก็มีเจ้างูปรากฏตัวขึ้นบิลลี่ใจเย็นๆก่อน ไปไหนเนี่ยบิลลี่หยุดก่อนก่อนที่ม้าจะหยุดวิ่งลีโอก็ได้เข้าไปในป่าลึกใกล้จากพระราชวังโชคดีที่เขาเจอกับบ้านหลังเล็กเขาลงจากหลังมา้าและครอประตูไม้เออสวัสดีฉันชื่อลีโอฉันจะไปส่งสารที่พระราชวังแต่ว่าฉันหลงทางเน่ะ ฉันขอพักที่นี่สักคืนจะได้ไหม mm. เป็นบ้านที่น่าพักมากเลยขอบคุณที่ให้ฉันพักนะนายไม่รู้นะว่าฉันเป็นใครฉันรู้นายก็คือจินเจอร์ชาวบ้านบอกว่านายชอบปล้นบ้านของชาวบ้านแต่ที่ตลกก็คือพวกเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าบ้านไหนกัน ที่ถูกนายปล้นใช่ไม้มนันเป็นเพราะว่าฉันไม่ได้ทำยังไงกอตามไม่ว่าฉันพูดยังไงก็ไม่มีใครที่จะเชื่อฉันเลยน่าจะเป็นเพราะฉันดูหน้ากลัวแล้วนายละ่ะไม่ไม่กลัวฉันหรือไงไนายกลัวฉันไหมไม่ฉรักผู้คนแต่ฉันไม่ใช่ทุกอย่างที่พวกเขาพูดหรอกนะ พวกเขาพูดถึงที่พวกเขาไม่รู้ด้วยซ้าฉันหมายถึงนายปล่อยให้คนแปลกหน้าเข้ามาในบ้านใช่ไหมฉันคิดว่านายนะ่ะเป็นคนใจกว้างจินเจอร์ประหลาดใจตลอดหลายปีที่ผ่านมาไม่มีใครดีกับเขาเลยลีโอกินอาหารและเข้านอนจินเจอร์ประหลาดใจที่ประชาชนธรรมดาต้องเป็นคนสงสาร เขาเห็นซองจดหมายในเสื้อของลีโอและเขาตัดสินใจเปิดมันออกคนที่สงสารนี่จะต้องถูกขังตลอดชีวิตเหรอโธ่เอ้ยทำไมพระราชาถึงทำแบบนี้เนี่ยลีโอไม่สมควรเลยไม่สมควรที่จะได้รับการกระทำนี้จินเจอร์ชีกจดหมายออกเขาเขียนจดหมายใหม่ แล้วใส่ในซองจดหมายและเก็บใส่คืนกระเป๋าของลีโอ <c oughs> เช้าวันรุ่งขึ้นลีโอไปถึงพระราชวังคนที่สงสารนี้ต้องแตกงงานกับเจ้าหญิงทันทีได้โปรดไปเรียกเบลล่ามา เบลล่าพ่อของลูกปรารถนาต้องการให้ลูกแต่งงานกับชายคนดีลูกเห็นด้วยไหมเป็นไปตามโชคชะตาทันทีทันทีที่เโอและเบลล่าเห็นหน้ากันพวกเขาก็ตกลุมรักกันทันทีฉันอยากจะแต่งงานกับเขาคะ่ะพระราชินีมีความสุขมากการแต่งงานเกิดขึ้นภายในวันนั้นเลยเบลล่าและเลโอมีความสุขแต่ก็ไม่นาน พระราชามาถึงเขาโมโหกับเรื่องที่เกิดขึ้นมากแต่มันก็สายไปแล้วลีโอกลายเป็นเจ้าชายแล้วพระราชาไม่สามารถส่งลูกเขยของตอนเองไปขังอย่างห้องใต้ดินเขาจึงคิดแผนใหม่ออกมาโอ้หัวใจเขาจัดผังสลายฉันรู้ฉันควรจะบอกเรื่องนี้กับนายก่อนเจ้าหญิงถูกสาปให้ตายภายในเจ็ดวันหลังจากแต่งงาน สิ่งเดียวที่ช่วยเธอได้ก็คือผมทองสามเส้นของปีศาจแต่ฉันจะไม่บังคับให้นายไปผมจะไปผมจะไม่ให้อะไรเกิดขึ้นกับภรรยาผมเด็ดขาดลีโอโบกมือลาภรรยาทางที่จะไปหาปีศาจนำทางเขาเข้าไปในเมืองใหญ่ เขาพยายามจะเข้าไปแต่ยามเฝ้าประตูไม่ให้เข้าถ้านาะยอยากจะเข้าไปละก่อนนาะยจะต้องตอบคำถามของฉันก่อนนะทำไมนางปูจ่เคยให้ไวตอนนี้ถึงไม่ให้องอมาอีกล่ะฮะลีโอคิดสักพักอืมฉันรู้คาตอบแล้วแต่ว่าฉันยังบอกนายไม่ได้เพราะฉันกำลังทำภารกิจสำคัญอยู่และใครก็ตาม ที่บังคับให้ฉันตอบคำถามก่อนที่ฉันจะเสร็จภารกิจจะต้องถูกสาปถูกสาปให้กลายเป็นแพ้คำถามนายว่าอะไรนะเกี่ยวกับเอน้ำพุใช่ไหมนายดูดูรีบมากเลยถ้าอย่างนั้นยกค่อยตอบฉันตอนขากลับมาก็ได้นะไม่เป็นไรโอ ในมีน้ำใจที่สุดเลยขอบคุณมากนะลีโอเดินทางมาถึงอีกเมืองหนึ่งยามเฝ้าประตูจึงถามบอกฉันมาทำไมต้นไม้ที่เคยให้อปเปิลทองจึงเหลือแต่แค่ใบไม้ลีโอตอบคำถามเหมือนเดิมและยามเฝ้าประตูก็ปล่อยเข้าไป ลีโอคิดว่าคำถามประหลาดผู้นั้นหมดแล้วแต่เขาก็ต้องมาเจอคนพายเรือและคำถามฉันจะพายเรือส่งนายไปยังอีกฝั่งแต่บอกฉันหน่อยนะฉันพายเรือไปกลับส่งกันทุกวันฉันจะหยุดได้อย่างไรกันบอกฉันสิลีโอเงียบและกล่าวถึงแพคนพายเรือคิดว่าการพายเรือแบบนี้ตลอดชีวิต ยังดีกว่าต้องกลายเป็นแพะเขาจึงพายไปส่งลีโอและโบกมือลาลีโอมาถึงถ้ำของปีศาจข้างนอกลีโอเห็นใครบางคนกำลังจะเก็บมะม่วงอโอเออ อ, อ, อ, <c oughs> โ, อโทษทีฉันจะไม่จับมะม่วงนี้เอกฉันสัญญาเอออะไรกันเนีย่ย นายไม่ใช่หลานฉันนีน่นาเออฉันคิดว่าปีศาจนะนายมาทำอะไรที่นี่ปีศาจเป็นหลานของคุณยายนะครับผมเออขอเจอเขาได้ไหมครับผมอยากจะถามปริศนาเขาสามข้อนะแล้วลีโอก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้ยายของปีศาจฟังอะไรนะพระราชาบอกว่า ผมปีศัจ ท, ทองสามเส้นจะช่วยแก้คำสาบเหรอฮะพระราชาดูเหมือนจะชั่วร้ายมากกว่าหลานชายของฉันซะอีกนุ่มน้อยพ่อตาของนายนะพยายามที่จะให้นายมีปัญหาเขาถึงส่งนายมาที่นี่เดี๋ยวนะมันเป็นไปได้เหรอครับโอ้ปีศาจมาแล้วฉันอยากจะเห็นว่าเขาจะทำยังไงกับนายฮะ ลีโอเป็นคนฉลาดเขาคิดสักพักและทำข้อตกลงกับยายยายต้องช่วยลีโอและตอบคำถามปริศนาแกยามเฝ้าประตูและคนพายเรือและลีโอจะไม่บอกปีศาจว่ายายพยายามจะกินมะม่วงเธอฉลาดโอเคตกลง ยายได้เปลี่ยนร่างของลีโอให้กลายเป็นมดและใส่ในกระเป๋าเอาไว้เมื่อปีศาจมาถึงเขาเหนื่อยมากและเข้านอนโอ้ยนี่ยายทำอะไรกันเนี่ยโอ้โอฝันอะไรมันจะแย่ขนาดนั้นแล้ว ฉันฝันว่าน้ำพุที่เคยให้ไวยตอนนี้ไม่มีแม้กระทั่งน้ำนั่นเป็นเพราะว่ามีค้างคกอาศัยอยู่ใต้น้ำพุนะจะต้องมีขนขับไล่มันไปแล้วไวายก็จะเริ่มไหลอีกครั้งอาลทัทธิสวัสดนะหลังจากนั้นขณะที่ปีศาจกำลังหลับยายของเขาก็ได้ดึงผมทองของเขาอีกเส้น อะไกันอีกเล่าอ่อีกแล้วล่ะคราวนี้ฝันว่ามันมีต้นแอปเปิ้ลที่สวยงามเคยให้กดแอปเปิ้ลทองแต่ตอนนี้เหลือแค่ใบไม้น่าสงสารแอปเปิ้ลมากไม่หนูแทะรากแอปเปิ้ลอยู่ยังไงเล่าต้องมีคนไล่มันไปนะครับยายเออโอเคเธอกลับไปนอนได้ฉันก็จะพยายามไปนอนด้วยไม่อ่ะฉันรู้เดีย๋ยวยายกะต้องดึงผมฉันอีกกันนะ เอาอย่างนี้ตอนนี้ก็ไม่มีผมให้ใหญ่ดึงแล้วพอใจไร้อยังเออฉันนะ่ะมีปริศนาอีกข้อหนึ่งอะไรเหรอทําทำไมคนพายเรือถึงหยุดพายเรือให้คนไปกลับไม่ได้เขาไม่อยากทำเขาต้องทำยังไงนั่นเพราะว่าไม้พายถูกสาบไงเขาก็เลยต้องยกไม้พายให้ใครสัก เขาติดจะไปอิสระตอนนี้ฉันนอนต่อได้หรื อ, อยังยายเออแน่นอนฝันดีนะยายของปีศาจได้เปลี่ยนลีโอเป็นร่างมนุษย์อีกครั้งและให้ผมปีศาจสีทองกับลีโอ ลีโอ โ, อโค้งคำนับและรีบเดินจากไปก่อนที่ยายจะเปลี่ยนใจหลาย ม, มีคาตอบใหมชั้นไหมแน่นอนแต่ว่านายต้องไปส่งชั้นที่อีกฝั่งหนึ่งก่อนนะเมื่อชั้นถึงฝั่งชั้นจะให้คำตอบนายคนพายเรือทำตามที่ลีโอขอส่งไม้พายให้ใครสักคนแล้วนายก็จะเป็นอิสระ ลาก่อนนะระหว่างทางกลับเขาเจอยามเฝ้าประตูคนที่สองเพื่อนมันมีหนูแทรกของต้นแอปเปิลอยู่เพราะอย่างนี้ต้นไม้ถึงไม่ให้ผลแอปเปิลทองยามเฝ้าประตูไปที่ต้นไม้และไล่หนูออกไปต้นไม้ก็ให้ผลแอปเปิลทองทันทีทันใดชาวเมืองจึงให้ทองสองกระสอบกับลีโอเป็นการตอบแทน และตอนนี้ถึงเวลาที่จะตอบคําถามยามคนแรกแล้วเป็นเพราะว่ามันมีคางคกตัวใหญ่อยู่ใต้น้ําพุนาจะต้องไล่มันออกไปแล้วนึำพุจะให้ไวอีกครั้งโอเป็นน้ําพุที่วิเศษอะไรอย่างนี้เมือง น, นั้นให้รางวัลลีโอด้วยทองสีกระสอบลีโอรับรางวัลและกลับไปที่หวัง ขณะที่พระราชาเห็นลีโอกลับมาพร้อมกับทองเขาก็เต็มไปด้วยความโลภโอ้ลูกเขยของฉันฉันเป็นห่วงนายมากเลยนะไหนอบอกฉันหน่อยสิว่าไปเจอทองที่ไหนมาลีโอรู้แล้วว่าพระราชาร้ายกาศแค่ไหนมีชายภายเรือที่ระหว่างทางที่ไปหาปีศาจ สิ่งที่ท่านต้องทำเพียงแค่รับไม้พายของเขามาแล้วก็พายเรือไปอีกฝั่งมันจะเต็มไปด้วยทองมากมายเลย<อ>พระราชารีบไปหาชายพายเรือด้วยความไม่คิดอะไรบ้างเขารับไม้พายจากมือของชายพายเรือชายพายเรือเต้นด้วยความดีใจและทิ้งพระราชาไว้คนเดียวขณะเดียวกันลีโอก็ได้พบกับพ่อแม่ที่แท้จริงของเขา และคู่ชาวนาที่ได้เลี้ยงดูเขามาทั้งสองครอบครัวได้รับเชิญมาอยู่ในวังคําทำนายเป็นจริงลีโอนำความโชคดีมาให้คนทั้งหมือนและสำหรับพระราชาจอมโลกเขายังคงเชื่อว่าเขาพายเรือไปกลับเพียงคนเดียวและไม่มีใครเลยกล้าที่จะรับไม้พายของเขา